ا ل ل ك آ ي ا ل ك ت ا ا ل ك تلك آيات الكتاب الحكيم. <تصفيق> ผู้ที่นั่ง ل ยู่ใ ي ท ا ل สูงส่งและมั้ที่นั่งอยู อัล ا ه ه ل ฮ์ ا ل ลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลฮ์อัลลอลลอฮ์อัล์อัลลฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮลลอฮ์อัลลอฮ์อัอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอออ์ลฮลลฮลลลลลฮลอัฮอัลลอลฮอลลัลลอฮ์ฮลล ้ว شهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أ م ي وب ن وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك ل م ا ت ا ل ل ت م ا ت م ن ش ر م ا خ ل َ ق أعوذ بك ل م ا ت ا ل ل َ ت م ا ت م ن ش ر م ا خ ل ق بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الس ال ا, إ, أ ل سميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ا ف ن ي في ب ณิในในบั ي ฑ์ิแล ي ف าภ ف ณิในใ سبحان الله و ب ح م د ه ع د د خ ل ق ه ورضا ن ف س ه وزنة ع ر ش ه ومداد كلماته ربي شرح لي فدري و ي س ر لي أمري و ح ل ُ العبادة من لساني يفقهُ قولي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาซุบอ๊อที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามนะครับรายการตับซีที่อยู่ที่บ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านทุกๆกท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุภาห์นูวาตาลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยด้วยความเมตตาของ Allah, มมของ Allah, ัลลอฮ์โดยการอนุมัติของอัลลอฮ์ ถยาเราต้องนึกถึงอัลลอ์เยอะๆนึกถึงอัลลอฮ์โดยการใช้ภาษาที่ท่านนบีสอนนะอัลลอฮ์ซุบฮานุลลอฮิลอาซิมวะบิฮามดิฮีซุบฮานัลม а л กินกุดดุสอัสตัฟิรุลลอฮ์ลาอิลลอิลลาห์อัลลอฮุมัยนีอัลกุบะค์มินดิุนยาวดิกิยมิลกิยามะ ลาพาวล์แะ قوة อิลลาบิลลลอ์ลาอิลล่าอิลลัลลอฮวะฮห์ล شركال ะ له الملج و الحمد و و ل ا ك ل ش ي ن قديم นี่เป็นถ้อยคำที่อยู่ในคัมภีรกุรอานทั้งหมดแต่นบีโดยคาสั่งของอัลลอฮ์ให้หยิบตรงนี้มาหยิบตรงนี้มาแล้วก็เอามาพูดสรรเสริญยกย่องสิ่งดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละยกย่องอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮได้อะไร นะครับหนึ่งไม่ให้โรคไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าต้องนึกจริงๆนะมื่อเนึกด้วยดวยลิ้นอย่างเดียวตรงจากจากหัวใจด้วยพอกุนอัลลอฮ์อธิบายเอาไว้เลยบอกว่าอัลาบิซิขรินละตัตมาอินนุลกูลูบอัลลอฮ์เป็นผรงรู้ไว้เทิดดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมีอยู่ทางเดียวนะทำให้หัวใจของท่านเนี่ยสงบ ไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่เครียดด้วยแล้วก็ทำความดีอื่นๆประกอบไปนะครับ <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องที่เราทบทวนอัลกุรอานมาเนี่ยจบสูรที่สามสิบอัลลอสูรารูมทำดีดแล้วแสดงว่าเราเนี่ยแก่ขึ้นแก่ขึ้น <c oughs> ถ้าแก่ในสภาพที่เรา อยู่กับอัลกุรอานเนี่ยอัลล ันจริงอัลลอสัญญาของอัลลอฮ์น่ะจริงในต่อสิทธ์อธิบายบอกว่าคนที่ใส่ร้ายอิสลามคนที่ด่าอัลลอฮ์คนที่ตำหนินบีมหัม m คนที่เอาอะไรมาแข่งกับอัลกุกกกกรอานก็ตามเนี่ยนะแล้วก็ไม่เชื่อในโลกอาคุราะไม่เชื่อที่ท่านนาบี ม, มุั a สอนเนี่ยนะรังแกนบีด้วยด่านาบีด้วย หรือก็คนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถูกเค้นฆ่าถูกถกรังแกเนี่ยถูกไล่ออกจากบ้านอะไรก็ดีตบอบพยพจากบ้านตัวเองไปอยู่ที่ประเทศอีกประเทศหนึ่งลําบากครับทั้งเดินทางก่อนลบากไปอยู่ที่นั่นกว่าจะลําบากลําบากหมดจนกว่าจะได้รับการแบบอยู่สบายๆนี่นางใช้เวลานานแต่ด้านอัลลอฮ์จะแก้แค้นให้ทั้งหมดแก้แค้นแทนนบีแก้แค้แ น, นแท น, นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ที่ถูกรังแกบนโลกดุรยางคไปนี้ภาษาที่อัลลอฮ์ใช้อินติคอมอัลอินติคอมแปลว่าการแก้แค้น <c oughs> นี่เป็นสิทธิ์พิเศษองอัลลอฮ์นะข้อหนึ่งฉะนั้นอยู่บนโลกดุรยางคไปนี้คนที่นับถือศา ส, สนา อ, อิสลามยึดมั่นในอัลลอฮ์องเดียวนั้นถูกรังแกตลอดแล้วก็จริงไหมจริงครับภาพที่เราถูก เป่าเข้าหูทุวันทุวันทุวันก็คือว่ามุสลิมเป็นผู้ก่อการไม่ดีผู้ก่อการร้ายนั่นนะทำในเดืลล่องแรกเป็นเราต้องอดทนจะอ่านอ่นานกุลาเนี่ช่วยช่วยนะครับให้เราได้เข้าใจอิสลามแล้วก็อามันที่โอแล้วอย่าลืมว่าการอดทนเป็นอามันที่โอแล้วนะ <laughs> แล้วต้องขอดูอาด้วยอัลลอฮุมะฟุริกอะลไลนาซอบรอ อัลลอฮฺจะปวดประทานหัวใจของฉันให้มั่นคงอยู่กับการอดทนอัลลอฮฺอัลอัตขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องวันนี้เรามาขึ้นสุร้อ์ที่31มสนะครับสุร้อนที่31ก็นึกถึงฮะจีฮะจีเฉลิมนะพระมินอมิตรอมิตรใหญ่วันนี้อยู่ในสุร้อนลูกมารบทที่31นะครับพี่น้องลูกมานเนี่ยเป็นใคร อ่าอธิบายเล็กๆน้อยๆก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆ อ, ยอธิบายกันไปลุกมา น, นี่ไม่ใช่เป็นนบีนะลุกมานไม่ใช่นบีบางท่านบอกว่าเป็นเป็นอมเป็นอุลมะห์เป็นนักปราชัยนอะ่าเขาเรียกว่าลุกมานอัลฮะกีมลุกมานเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากครับแต่ไม่ใช่นบีอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สอบางบางคนอธิบายบอกว่า ลุกมาเนี่มีอายุยืนยาวมากเรียกในภาษาอาหรับว่าลุกมานอัลมุอัมมารลุกมานอัลมุอัมมัรอุมัรแปลว่มีอายุยืนยาวยาวเท่าไร่ไม่มีรายงานบอกนะครับข้อที่สามบางคนบอกว่าท่านลุกมานนั้นนะ่ะเป็นคนเดียวกันกันกบอิสบนิทานอิสบไทยเนะี่ที่เราเอามาอ่านกันนะ่ะนะนั่นแหละเป็นคนเดียวกันนี่บางคนว่าอย่างนั้น อัลลอฮุอะลับางคนบอกว่าท่านลุกมาเนี่ยเป็นชาวอาบิสซเนียนะครับเป็นชาวอาบิสิเนียนะครับคนที่เรียนวิชาเอเชียนคัลเจอร์เนี่ยก็จะรู้ผมเรียนวิชาคัลเจอร์เอเชียนคันเจอร์มานะ <c oughs> ก็ลุกมาเนี่ยเป็นคนอาบิสิเนียอัลลอฮุอาลัแล้วก็เรียกร้อง เป็นคนที่เรียกร้องคนเชิญชวนคนดาว่าคนตบลีกคนให้ทำอะไรให้ข้ามาอัลลอฮ์อัลลอ์มีองค์เดียวถลุล ม, มานี่พยายามชักชวนคนดูเตือนคนเยี่ยมคนไปหาคนไปเชิญชวนไปดาว่ามาถึงเรียกร้องคนมาสู่อัลลอต์ตลีกพาไปถึงบ้านเขาใช่ไห ฉะนั้นทำหน้าที่อย่างนี้กันกับทุกคนนั่นแหละนะนนกับคนดีๆคนอาเลีมาเลียมคนมีศาสนาเนี่ยครับเป็นห่วงเรื่องนี้ครับลุกมาเ น, นี่เป็นคนผิวผิวอะไรผิวดำนะไม่ใช่ผิวขาวนะผิวดำแล้วก็รูปร่างเนี่ยเออไม่รอเลยลนะ่ะเป็นท่าด้วยมั้งอ่าเป็นท่าด้วยผิวดำด้วย แล้วก็ตัวไม่ไม่สูงตัวเตี้ยๆแล้วก็ริมฝีปากริมฝีปากหนาหรือบางหนะาครับตกลงว่าความหล่อเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยนะแต่อัลลอฮ์ยกอ่าแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นดองคนที่หน้าตาใช่ไหมใช่อินนัลลอฮ์ฮะลายังซุรุอิละสวะริคุม ว่ละอีละอาหมาลิกุมว่าละกี่เยารูอีละกูลู้เบิกุมว่าอามาลิกุมนี่เป็นคำตัดสินจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ได้มองมนุษย์เนี่ยที่ใบหน้าที่สีผิวที่รูปร่างอ่อหรือไม่ลอ่อสูงหรือไม่สูงเตี้ยหรือไม่เตี้ยอัลลอฮ์ไม่ได้มองเท่านั้นแต่อัลลอฮ์มาได้มองที่ทรัพย์สินมันก็มีมากมีน้อยแต่อัลลอฮ์มองที่หัวใจของเขาและการปฏิบัติของเขาอ่อนอยู่ตรงนี้ครับหัวใจกับการปฏิบัตินี่คือหลักการอิสลามครับ อัลลอฮ์มองใครนะมองคนเนี่ยมองที่ไหนมองที่หัวใจอีลากูลูบียกุมแล้วก็มองที่ไหนมองที่การปฏิบัติของเขาอ่ะเขาปฏิบัติอะไรอวันหนึ่งวันหนึ่ ง, ว, นนงวันหนึ่งปฏิบัติยังไงอัลลอฮ์เพียงที่จะเข้ามัสยิดนี่ยอัลลอฮ์ก็ดูนะเองเข้าเท้าซ้ายหรือเท้าขวาถ้าเข้าโดยเท้าขวาเองมีคะแนนตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์มองที่การปฏิบัติแล้วก็ใจของคุณเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์ไหม มองที่หัวใจเข้าห้องน้ากันเหมือนกันเอาเราก็ให้มาเลกามามามาดูอะข้าวโดยเท้าอะไรโอ้เขาเขายืนก่อนนึกก่อนซ้ายหรือขวาเขาก็เอาเขา้เขาวข้าด้วยเท้าซ้ายแล้วก็อ่านดูอานี่อามันที่ซ้อนเลยนี่เอารามองตรงนี้เอารามาเรียนมองที่อื่นเลยนะโอ้โหนี่จะได้ความรู้จากกรารอ่านกับการลุกมาน คำดูลีเล่เป็นองค์สุรรอดลุกมาเนี่ยเป็นสุระอดที่ประทานลงมาความรู้อันนี้น่ะพันลงมาที่นคร อ, อะไรมันมีมักกียะกับมาดานียะสองแห่งแต่สุรรอดนี้ประทานที่มักกะเรียกว่ามักกี้ยะทั้งสุระอดเลยยกเว้นสองอายะนี่อุลามะบางท่านอธิบายอย่างนี้นะอายะไหนรู้ไหม อายาที่พูดอู้ที่นั่งอ่านหนังสอีมูนงอัสอลูที่นั่งอานนอีลธรูที่นั่งอาังสอศีลธมผู้ี่นั่งนอศีลธรรมู้ที่น่อานงสือศีลี่อางสอศีรรมผู้ที่ น, กกนั่ า, า, า, นานหังคืีผู้ที่นั่านหังีรมาูที่น่อาีลรมาู้ที่นัออีกรมีนัอาหนึลี่งอนหนงรับ อยายะที่ยี่สิบเจ็ดในสุรนีนะว่าอันมาฟิลอารดิมิซาจารติอัคลาดีมากกับถ้าหากเอาต้นไม้ที่อยู่บนแผ่นดินนี้ทั้งหมดเอาต้นไม้นะต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะทําเป็นปากกา เอาต้นไม้ทุกต้นที่อยู่บนโลกนี้ทําเป็นปากกาแล้วก็น้ําน้ําในมหาสมุทรทำเป็นน้ํำมึกเห็นอย่างครับนี่อลัลลอฮ์เล่าถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์นะให้บรรยายเรื่องของอลัลลอฮ์ว่าอาลัลลอฮ์สร้างนุนทํานี้ทํานุนทํานี้สร้างนุนสร้างนี้บนโลกนี้นี่นะเล่าไม่หมดน้ําในมหาสมุทรหมดไปแล้วเนี่ยเอามาอีกเจ็ดครั้ง เดี๋ยวอ่านไปจะเจออัลลอฮฺว่ากนี่ชิมให้รู้ก่อนนะว่าในสุระนนี้นะประทานให้ที่นครมักมกะนะครับยกเว้นสองอายะอายะที่หนึ่งคนที่นมาดคนที่จา่าย z a k a ประทานที่มักิมบดีนะแล้วนะให้เอามาใส่อายะนี้ฉะนั้นการรวบรวมกุรอานเนี่ย แล้วก็ซุร้อนไหนวางตรงไหนวกหนักนูวางตรงนี้อาญาณีวางตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ผ่านยิบรีนมาบอกกับนบีนบ่นบกก็จับโอ้โหให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอิสลามนะแล้อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้นไม้ทั้งหมดบนโลกดุนยาใบนี้ทําเป็นปากาแล้วก็น้ําในมหาสมุทรน่ะเป็นน้ํำมึกบรรยายเรื่องของอัลลอฮ์เท่าไหรไม่จบทามุลิลละนั่นเรานับถืออัลลอฮ์ถูกต้องแล้ว แล้วก็สุรรอดลุกมาเนี่ยเน้นสามเรื่องอัลลอฮฺอัลบาบิน้องจำมาเลนะเน้นสามเรื่องนะอ่านไปจะเจอเน้นจะเข้าใจไม่เข้าใจอีเรื่องนี้นะแต่เน้นสามเรื่องหนึ่งเรื่องเตาฮิซอัลลอมีองค์เดียวเป็นเรื่องจริงเรื่องที่สองนบีมูฮัมมัดเป็นนบีของเป็นนบีของอัลลอฮฺจริงเป็นนบีคนสุดท้ายจริง และสุน na ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยต้องนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงเอาอยัางอื่นมาคู่กับนบีมุฮัมมัดไม่ได้อัลลอ์มีจริงนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายจริงและสุน na ของท่านเนี่ยเป็นคำอธิบายกุรอานอัลลอฮฺฮอะกบเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับแล้วก็เรื่องที่สามวันกียามะมีจริงตายแล้วต้องฟื้นหมดไม่มีใครไม่ฟื้นอัลลอกบ แล้วก็ฟื้นขึ้นมาทำไมอ่ะฟื้นมารับรางวัลนี่ไงมันอยู่ตรงนี้พี่น้องขึ้นมารับรางวัลคนทำดีได้รางวัลตอบแทนที่ดีคนทำไม่ดีก็ได้รางวัลไม่ดีเอาไป <c oughs> นี่สามสามเรื่องใหญ่ๆ ใ, ในสุรม ก, กรียะที่ถูกประทานที่นครม ก, กัศเป็นสุรลุกมาเนี่ยเป็นชื่อของคนเพื่อมาให้เราเนี่ยดูถูกคนใช่ไหม เห็นคนนี้โอ้ผมผอมๆบางๆโอ้หน้าตาไม่หรอฉันไม่สนใจอย่าอยอาจจะมีของดีเต็มอยู่ในตัวเขาก็ได้ฉะนั้นอย่าดูถูกคนอย่ามองข้ามคนพยายามมองคนแล้วก็ก็เอาอัคราคนิสัยนบีมาใช้ก็แล้วกันนะอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺบิสมิลลาฮฺอูราห์มานีอูราฮี นี่เวลาจะอ่านการคุณอ่านนนะถ้าอ่านจากเริ่มต้นเนี่ยต้องมีบิสมิลลาอัลลอฮุซุบิลลาก่อนถ้าไปอ่าน ก, กลางเนี่ยอ่นออฮุซุบิลลาบิสมิลลาไม่ต้องมีนี่นบีก็สอนอุลามาก็สอนไว้นะบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim แปลใหม่นะครับนานมันเคยเปลี่ยนกันตัวไรด้วยพระนามของขอัลลอฮ์คำว่าบิสมิลลาเนี่ยฉันเริ่มต้นอ่านอัลกุรอานด้วยนามของอัลลอฮ์อัลล์มีสองสิ่ฝาตอยู่ในอัจนี้ อัลลอฮ์มานแปลว่าผู้ทรงอะไรนะักรุณาปราณีคามากรุณาปา น, านีอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาทุกคนบนโลกดุงยาใบนี้คนนั้นจะเป็นคนเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์เป็นมุมลินเป็นกาเฟตเป็นมุชริกเป็นยะฮูดีเป็นนสอสโรนีเป็นคนมุตตัดเป็นคนที่ต่อต้านอิสลามขนาดไหนก็ตามมาร้อนลเลียบหมดเลย นี่ใจกว้างกันไหนอารห์มานะแล้อรฮหิมเนี่ยอธิบายยังไงผู้ทรงเมตตาเสมออันนี้เฉพาะในโลกอาคีระเท่านั้นอารห์มานเนี่ยบนดุนยาเนี่ยดูแลหมดเลยใช่ไหมแม้แต่หนอนที่อยู่ไหนข้องน้ำในส้วมนะอัลลอฮ์ก็ดูแลใบไม้ที่ร่วงลงมาเนี่ยอัลลอะ์ก็ดูแลใบนี้จะร่วงกี่ใบ บางที่ร่วงมาคว่มก็มีหงายก็มีรอจักดการแต่เพียงผู้ดเดียวอัลลอฮฺอักวาตนีความยี่หญของอัลลอฮฺจะต้อบิสมิลลาฮิร rahmanir rah i m ที่ให้กล่าวบ่อยๆนบีวมุมิานะจะปิดไฟอันบิสมิลลาเปิดไฟบนะิสมิลลานจะใส่รองเท้าบนะิสมิลลานจะดื่มน้ำอันบนะิสมิลลานให้โรงโยงกับอัลลออยู่ตลอดเวลาข้ามดุลิลลาฮฺเป็นอ อัลลอล์มิมอลลอฮ์มิม ข, ข้าเพื่อนมดัดดานสุรบะกรอความหมายที่แท้จริงนี่นะอุลวะอธิบายนะไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ต้องกล่าวว่าความหมายฉันไม่รู้รู้ที่ถูกต้องอลิฟนะแต่มีคนอธิบายมีอลิฟแปลว่าอย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้แปลว่าอัลลอฮ์ก็มีอัลลอฮ์ลามแป่อย่างงี้มีบบมิมแปลว่ามุฮัมมัด เราไม่ต้องอธิบายในเมื่ออัลลอฮ์ไม <not> ่อธิบายเราก็ไม่อธิบายตามอัลลอฮ์นี่เป็นคําความหมายที่อัลลอฮ์รู้แต่เพียงพูดเดียวนะครับละติลกัยตุลกิตาบิลฮะกิมติลกัยตุลกิตาบิลฮะกิมติลก็แปลว่า อันนี้เรียกว่าเหล่านี้อายะต์แปลว่าอายะต์ต่างๆอายะต์ที่เป็นวกๆๆๆๆักวักววอายะ์หมายถึงมุอญิษาตของอัลลอ์ที่ประทานลง ม, มาผ่านนาบีก็เป็นมุ่งอุญิษาาและอายะต์ที่อยู่ริดีๆบ้านเราต้นมงต้นไม้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่เป็นอายะต์หมดเป็นสัญญาของอัลลอ์ทั้งหมดทั้งหมดเหล่านี้นะอัลกิตาแปลว่าคำพีหนังสือเล่มนี้ คัมภีร์กรอ่านแล้วก็อัลฮากีมฮกีมแปลว่าความรู้ก็แสดงว่าคัมภีร์อ่านกูอานเล่มนี้หรือว่าสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้มันเป็นสัญญาณนะครับให้เรารู้ว่าอัลลอ์เป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวไม่มีคณอื่นสร้างของที่มนุษย์สร้างก็มีไม่กี่อย่างแล้ อยู่บนโต๊ผมจะมีสามอย่างสี่อย่างนี่หนึ่งแก้วสามสมุดสองสมุดสามโทรศัพท์แล้วก็ไอ้ น, นี่อะไรก็จอะไรไม่รู้นะก็สามสี่อย่างโต๊ะนี่มนุษย์สร้างเอาความรู้มาจากไหนที่มาสร้างแบบนี้ความรู้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยตรงนี้ตรงนี้่า ง, งหากแต่นี้บางคนเนี่ยลืมนึกว่าความรู้เนี่ยได้มาเอง ฉันจบนั่นจบนั่นจบนั่นอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวเหมือนกอรุณานะได้เงินได้ทองมาเยอะคิดผิดคิดว่านี่เป็นความสามารถสมองความรู้ของตัวเองอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวอัลลอฮ์มันได้ให้สูปให้ดูเป็นตัวอย่างหนังกระปีคุณอา่านอ้าเห็นอย่างคนที่ไม่โยมกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษแบบนี้แหละนี่เตือนแล้วติลกาอัยาตุลกิตาบิลฮักิม เหล่านี้คืออายะต่างๆเหล่านี้คือองค์การต่างๆของคัมภีรมาดเดินคมภีรอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะอัลฮะกีมเต็มไปด้วยความรู้อัลฮัมดุลิลละสบาใจไหมนั่งกุรอานคือความรู้กุรอานเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านยิบรีนไม่ใช่ผ่านชัยต้อนะผ่านยิบรีนมามอบให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสองแห่งที่มักกะกับที่มาดีนะ ทำดูเรื่อยๆพี่น้องเรืความรู้เท่านั้นคุณอ่านคือความรู้แล้วความรู้เหล่านี้เนี่ยนะทำให้ใจเราสะอาดเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆพี่น้อง <c oughs> แล้วก็คนที่อ่านก <c oughs> ุณอ่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้หูตาสว่างหมดเลยอ่ะ Allah อัลลอฮ์อัคบัตเชื่อของที่มองไม่เห็นด้วยเพราะอ่านกุณอ่านเอาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีอ้าเชื่อว่าตายสองครั้งเกิดสองครั้งนี่ที่เราเห็นน่ะนยังไม่เห็นสักครั้งเลยนะเห็น ตอนนี้อยู่บนดวงยาใช่ไหมเนี่เกิดครั้งที่แรกแล้วเกิดครั้งที่สองหลังจากตายเรายังไม่เห็นนะแต่อัลลอฮฺอธิบายว่าเกิดแน่อาพึงเชื่อตายสองครั้งเดี๋ยวก็ตายตายครั้งต่อไปดีเนี่ยในตายครั้งที่สองนะตายครั้งแรกอยู่ในอัลลัมอรุวาเห็นอย่างครับถ้าเราไม่อ่านกูนอ่า น, นไม่รู้เลยว่าอ้ตามีสองครั้งแเรวก็เกิดมีสองครั้ง พอไปในวันเกียร์มาเพิ่งรู้อัลลอฮ์จ่าจมาสองครั้งจริงๆนะเนี่ยอัลลอฮ์จ่าท่ายังไม่ทําความดีเลยขอสามครั้งไมได้ไม่เราจะเวลาพยายามครับเพรอ่านคุณอ่านแล้วนะหนีไปไหนไม่รอดครับเจ้นั้นกุณอ่านเล่มนี้คือความรู้สอนให้มนุษย์ใช้สติปัญญาตรงกับที่อัลลอฮ์ต้องการด้วยครับทีนี้อุลามะอธิบายท่านยะฮยาบินซาลามอธิบายว่าอัลฮากีมเนี่ยอธิบายยังไงที่ว่า เต็มไปด้วยความรู้เนี่ยมีอยู่สารายการหนึ่งเรื่องฮลาในคภีรลกุรอานอธิบายไ้หมดเลยอะไรที่ฮัลลฮัลลฮัลลฮัลลฮัลลฮัลลฮัลาาอธิบายไ้หมดสองอธิบายเรื่องฮารอมอะไรที่อัลลอ์ห้ามนะเช่นดอกเบี้ยห้ามทรยศต่อพ่อแม่ห้ามมอะไรที่อัลลอ์ห้ามคีลกุรอานเนี่ยย่นี่เขาเรียกว่าอัลฮากีมอุลมอธิบายอีก อีกคำหนึ่งก็คืออัลอาฮกาบากาหมายถึงคำสั่งของอัลลอฮ์ที่สั่งให้ปฏิบัตินั่นปฏิบัตินี้เช่นนมาฎ จ, จายซกาทำฮหายีนอบนอมถ่อมตนให้อภัยยิ้มไม่เอาเรื่องกับคนเขาดามาอย่าด่าตอบ้างทั้งหมดเราเนี้เป็นฮุกมทั้งหมดเลยอะเรื่องนมาอย่างเดียวนะมัสอลาลลประมาณ200นะ เรื่องน้ำมาจะตั้งตะกตักตตกบรซจนกว่าจะให้สลามนะมีประเด็นสองอกว่าประเด็นนะแล้วก็ขัดแย้งทางอลาุลามะไอขัดแย้งเนี่ยมันจะแตกแยกกันนะขัดแย้งเพื่อสติปัญญาสมองเราจะได้คิดว่าเมื่อขัดแย้งกันแล้วเอาอะไรมาตัดสินอย่างนี้เป็นต้นนะครับติลกาอัยตุลกิตาบิลฮะกิมเหล่านี้คือองค์การต่าง แห่งคำภีซึ่งเต็มไปด้วยฮากิมวิทยาปรรยาัญญาหมายถึงความรู้แสดงว่ากุรานแหล่งของรู้ฉะนั้นซอบ้านนบีในยุคอ่านหนังสือเล่มเดียวเล่มไหนกุรานเป็นชาวสวรรค์หมดเลยแต่คนพวกเรายุคเราวันนี้เนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่ม <c oughs> ยกเว้นคำภีกุรานไม่อ่านแล้วเป็นไง ก็คนที่อ่านคุรานมีไหมมัมีส่วนใหญ่ก็ก็ไม่อ่านกันนะแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดแปล้านคนนะก็กี่ล้านนะมุสลิมมีกี่ล้านหล้านนะก็อ่านคุรานกันส่วนใหญ่ก็ขออนุญาลให้พวกเราอ่านอ่านกุรานนะครับพี่น้องเอาต่อมาอายะที่สาูดังวะรอฮ์มัตัลลิลมุฮซินน ลืมอธิบายเบอรดีหนึงท่านอิหม่ามคุตบีในตำสิรกุตัวบิงอธิบายว่าคำพีกุรานเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องนะครับแล้วก็ไม่มีข้อขัดแย้งกันเองสามหกพั ก, กว่าอาย่านี่นะไม่ขัดกันเลยคำพีกรานนี่มาจากอัลลอฮ์ถ้ามาจากมนุษย์อนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวก็แย่งกันตรงนั้นซับบที่ก็เขียนผิดบ้างอะไรบ้างนะมาจากมนุษย์แต่ถ้ามาจากอัลลอฮ์เนี่ยข้อขัดแย้งไม่มี อันที่สองข้อบวกพร่องไม่มีอัลฮัมดุลิลลนี่อิหม่ามกุรบีอธิบายนะครับูดาวะร์มัตัลลิลมุซินนกาจากอธิบายคํากุรานกุรานเป็นอะไรครับขูดาวอัลลอฮ์เป็นทางนาอัลลอฮ์กุรานเป็นทางนำนี่ค่าอย่างใบทเราฟังอัลลอ์บอกกับนบีมุฮัมมัดนะ ฉันบระทานอันานคุณอานลงมาให้กับท่านนี่นะคุณอ่านเป็นทางนำเขาว่าทางนำเนี่ยอุลมอฮฺอธิบายอย่างนี้นี่สองอย่างนะหนึ่งอธิบายบอกว่าฮูดันมินอุบบลาแหลเป็นทางนำที่พาเราออกจากความหลงผิดเชื่ออัลกุรอานเนี่ยพาเราออกจากทางหลงผิด อัมดุลิลลาสะบายอุ่ณอานพาเราเพออ่านไปศึกษาหาความรู้ไปพี่น้องถ้าเราไม่อ่านกุรอ่านเราหลงผิดตลอดเวลาพออ่านกุรอ่านปั๊บเอาล็อเปิดหูเปิดตาเราพาเราออกจากทางที่หลงผิดไปสู่ทางที่สว่าคเรวนูรัมดุลิลลาอีกคำหนึ่งฮูดันอิลจัน คนที่อ่านกุรอ่านศึกษาอัลกุรอานุาณอ่านเป็นทางนำพาไปสู่สวรรค์อัลลอฮฺว่ากัดีใจใช่ไหม <laughs> ฮัมดูลิลลาห์พี่น้องยายาอิบนุอาลดมทันชววบีอธิบายนะครับท่านชัวบีอธิบายบอกว่าคุรอ่านนี้เป็นทางนำนะครับนำอะไรนะออกจากทางที่หลงผิดไปสู่ทางที่ถูกต้อง ท่านยะห์ยาบอกอธิบายบอกว่าฮูดาหมายถึงทางนำปฏิบัติตามกอุลอามนี้จะพาท่านไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาบูฮฺตะอัลาสบายใจทั้งสองพี่น้องอัลลอฮฺฮูดาอูวาราะห์มะราะห์มะแปลว่าความเมตตาอุลามะอธิบายอีกเมตาก็มีสองสองสองประเด็นประเด็นอะไรบ้าง คุรานเล่มนี้เมตตาไม่ให้ถูกลงโทษเราต้องการน่ะไม่ต้องการให้ถูกลงโทษใช่ไหมถูกลงโทษที่ไหนครับในโลกอาคิเราอและในอลัลลอบัตจาถ้าอ่านกุรานศึกษาอัลกุรานพี่น้องยึดมั่นในอัลกุรานให้แน่นนะียนะกุรานนี้เป็นความเมตตาจะไม่ให้เราได้รับการลงโทษใดๆ ขณะที่อยู่บนโลกดุนยาดุนยาอาจจะถูกกันแจ้งกับธรรมดานะแต่ว่าที่ปลอดภัยไแน่อลัลอะลัมบัซักไม่มีการลงโทษฟื้นขึ้นมาในโลกอาคีรอไม่มีการลงโทษใดๆอยู่สบายครับไปทำในเรื่องกุรอานเล่มนี้ราะมานาเป็นความเมตตาอีกอันหนึ่งกุรอานเล่มนี้เนี่ยเป็นความเมตตานะครับคนที่เชื่อว่ากุรอานเนี่ย จะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หลังตายที่ทําความดีไว้ที่นมาดเอาไวา้ที่อ่านกุรานที่สิกุลลอห์เนี่ยผลและบุญในโลกอาคุรอห์อัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วพี่น้องอขอยกตัวอย่างคนที่เดินมานมาดที่มัสยิดเอาของ่ายๆก่อนแค่เดินมานมาดที่มัสยิดนะแล้วก็หัวใจของเขาเนี่ยสํารวมตนต่ออัลลอฮ์ การเดินมานั้นเพิ่ม إ ي م านและอิมานีา่เอาไปใช้ตอนไหนรู้ปล่ า, อาเอาไปใช้ในโลกอาคิรอนูน่นนะตอนที่เดินเนี่ยทุกมาชัดน่ะมันมืดนะมืดเคยเข้าถ้ำมนั่นแหละมืดจริงๆมองอะไรไม่เห็นน่ะก้าวคาก็ก้าวไม่ออกอ่ะมืดมากนะแต่คนที่เดินมามาัสยิด อีมานของเขาเนี่ยจะพาเขาเป็นเสาแสงสว่างอยู่ข้างหน้าเขาและอยู่ด้านขวามือเขาพาเขาเดินไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานูรนี่ยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะและอีมานข้ออื่นๆอีกหลที่เราทำทำทอยู่นะฉะนั้นมีรางวัลเชื่อนะฮดานหมายถึงอัลลอนี่เป็ น, นความเมตตาจะนำเขาสู่อัลลออัลลอ หลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมามีรัศมีช่วยเหลือเขาในโลกอาคิ้นเราทดูลยเลยยิ่งใหญ่มากครับหุดาวะรอห์มัตัลลิลมุฮซินีมุฮซินีนแปลว่าอะไรอรแปลว่าคนที่ทำความดีอ่าคนที่ชื่อฮัสซันนะชื่อดีนะแต่ท่านฮัสซันเองไม่แย่มากทำอะไรผิดเยอะ มุฮซินคนที่ทำความดีอัลลอฮลบัตอนนี้คนทำความดีเนี่ยปวงแก่ปวงผู้ทำความดีทั้งหลายเป็นมุฮซินเป็นผู้อุพจนะ์นะบรรดาผู้ทำความดีทั้งหลายอุลามาอธิบายต่อนะครับว่าคนทำความดีจะมีลักษณะเด่นๆอย่างนี้นะเอาเด่นนะหนึ่ง إ ي م ของเขาเพิ่มตลอดเวลาคนทำความดีทำให้อิมานของเขาเพิ่ม คนทำความดีเนี่ยนามาดไม่ขาดเห็นอย่างครับนี่ขอชี้ไว้นะคนที่เป็นมุวาเซนคนทำความดีนามาดขาดไม่ขาดไม่ขาดนั่นก็เรียกคนดีแล้วก็คนดีอีกครอดหนึ่งติดต่อกับเขืออนยาทำไมาอิสลามเน้นเน้เ น, นพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องน้องพ่อน้องแม่พี่พ่อพี่แม่แะไก็ตามแต่เนี่ยม่ทะเลาะ ก, กันเขาวะ นี่งาครับคนม้วสิ้นคนทุนความดีอลองสบายใจใช่ไหมฉะนั้นเราไปติดต่อกับญาติพี่น้องเราขับรถไปเบลองน้ำมันก็เบลองเบงเวลาพาของไปใส่รถไปอีกไปให้เขามีรางวัลตอบแทนเรียกว่าคุณเป็นคนดีัำดูและละูกไกยพูดเนี่ยข้างบนนี่เป็นคนดีทั้งหมดแล้วก็ข้อที่สามอันต้าบุลลอฮะกะอันกะตาราวุฟะอิลลัมตะคุนตาราวุฟะอิลนะฮยรากะ ตอนทำความดีอยู่โลกดวงาไป น, นี่ทําแบบไหนรู้ไหมเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮฺอธิบายยังไงตั้งใจทำํำ อ, อ่ากําลังนํามาดอยู่ถ้าเราเห็นอัลลอฮฺมาตัวนํามาดดีใช่ไหมล่ะนํามาดแบบกูชูใช่ไหมแบบคนงานเนี่ยเนี่ยยึด อ, อาคมเนี่ยคุมจนเนี่ยคุมตลอดเวลาเนี่ยนะคนงานก็ไม่กล้าเบี้ยวงานใช่ไหมก็ต้องทําทําอย่างนั้นถ้าเราทําความดี เหมือนกับเราเห็นอัลลอ์เนี่ยจะทำความดีแบบตั้งใจมั้ยก็ตั้งใจทำความดีแต่ถ้าเราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่แน่นอนเราไม่เห็นอัลลอ์เห็นในโลกอาซีร้อนวนะเน่ะถ้าไม่เห็นอัลลอ์ใจต้องนึกอัลลอส์ทรงเฝ้ า, ามองเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าคนทาความดีอัลลอฮ์แค่สามรายการเนี่ยคุมชีวิตแต่หมดอย่างคุมหมดแล้วหนึ่งอีมานสองนมาศสมติดต่อกับเคเรย่าสี่อะไรบ้าง ทำความดีเหมือนกับเราเห็นอัลลอ์ถ้าเราไม่เห็นอัลลอ์เราต้องนึกใหม่นะนึรตรงกันข้ามอัลลอฮ์ทรงเห็นเราจ้องมองดูเราอยู่คุณอ่านตรงไหนนี่นะคุณอ่านเยอะแยะ ไ, ไปน้อในในคุธตบานนี้ก้าน่ะอินอัลลอฮะคบีอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงตรหนักทรงจ้องมองบัซีรุนเห็นตลอดเวลานั่นคนทำความดีอัลฮัมดุลิลลาฮฺเบนองนะุลมะ ตับซีอของของซาอุดีที่แจกมานเนี่ยเนขะาบอกว่าคุรานเล่มนี้เนี่ยนะยาอัลกุรานหนึ่งคุรานเป็นทางนำสองคุรานเป็นยารักษาโรคโอลัลลอ์ดีไล้ไหมดียารักษาโรคโรคอะไรรู้ไหมโรคตะกบบุตรโรคเยอะยิงจองหองอว ด, ดีขี้เหนียวในโรคี้กุรานช่วยได้แต่ต้องอ่านนะหาความรู้จากคุรานนะ โรคชิริกโอโล่าโรคนี้ใหญ่มากโรคไปหาโต๊ะตะเจียก็โต๊ะท้ยห้อถ้าอ่านกรุรา น, นจะทิ้งหมดนั่นชิฟาอุลคุรา น, นเป็นยารักษาโรคแล้วก็โรคโกรธเครียดรักษาได้หมดเลยโรคซึมเศร้ารักษาได้หมดเลยกับชิฟาอ่านกรุรานถ้าใช้ตอนอยู่ในบ้านทาําไงไรสมัยก่อนก็เอาเกลือเอาพริกไล่กันอะไรัน นั่นน่ะห่าง q u r านใช่ไหมไม่รู้ทางนาเอ๊ะจะไล่ไซตตอนไล่ยินไล่อย่างไงพออ่าน q u อ a n ปั๊บนบีสอนโอ้วิธีไล่ไซตตอนง่ายในเดียวอ่าน q u r านในบ้านนามาตในบ้านดิกรุลลอห์ในบ้านอัลลอฮ์อัลลอฮใครมันจะเหลือล่ะซตตอนก็นับอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเองนะฉันสร้างไซตตอนมานยินฉันก็สร้างมาฉันรู้ด้วยว่าวิธีไล่ถามฉัน อัานคุรานอ่านสามกุนอ่านอายะกุศซีจินนละใช้ตอนนี้หมดอัลฮัมดุลิลลา์นี่ชีวิตของเราอยู่กับอัลกุรานนี่มีทางออกนะครับอัลฮัมดุลิลลา์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวระมะกุรานี่นำความเมตตาอัลลอฮอักบัดมาให้เราครับนี่ตับซีบจากประเทศสาวดีนะครับ ผู้ดาวรหบมาตลอดมุฮซินีคุณอานเล่มนี้เป็นทางนำนะครับรหบมาเป็นความเมตตาลิลมุฮซินีนลีแปลว่าแก่ปวงเบาผู้ทำความดีอัลลอฮปวงชนผู้ทำความดีทำความดีใครกับตนเองกับผู้อื่นอัลลอฮฺอักบาร์นทางทำอยู่กับกุรอานดีกว่านะตามโุนา น, นาัลล สบายใจอัดุลลอาต่อมาครับอีกยังมีอีกคนที่อธิบายอย่างี้มัวสีนินเนี่ยอธิบายยังไงให้อ่านอายะที่สต่อมาอัลลนยกีมูนอัลยตนจก วะฮุม بالآخرتهم يوقنون ا ل a ه, <Allahu Akbar. S 1> ة أ a ب ر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون السكى وهم بالآخرتهم يوقنون ต้องลืมไปนิดหนึ่ง มีอุลมามะอธิบายอีกนะคำว่าวมัวซินเนี่ยเรื่องเก่านิดนะคำว่าวม้วซินคนทําความดีเนี่ยจะมีนิสัยแบบนี้อ่าข้อที่หนึ่งให้อภัยกับคนนั่นก็เรีคนดีให้อภัยคนให้อภยัยแล้วก็<ม>วัลกาดิมีนารอยสเวลาโมโหเนี่ยอย่าสแสดงอาการให้ได้นะให้คอนโทรลในควบคุมอารมณ์อโลเหยยัง ทำมางานหนักางานเบาเนี่ยหนักโมโหแล้วมาให้สแสดงอาการลองงานหนักครับผมเคยเห็นคนคนหนึ่งคุณเหลเล่าให้ผมฟังนะที่ศูนย์กลางนะมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนดังอ่ะนะไม่ไม่ไมเอ่ยชื่อใครน ะ, สะแสดงอาการโมโหตัวสั่นมือสั่นหน้าตาแดงชีนั่นนะถ้าไม่ภาพต่งตางๆเนี่ยลบหมดเลย ภาพภาพที่ว่าเด่นดีเนี่ยนะลบหมดเลยเอาเาเลยสั่งนะคนดีต้องไม่แสดงอาการโกรธให้ใครเห็นนบีโกรธไหมโกรธแค่แค่แน่นาหน้าแดงอย่างเดียวชาวบ้านมองรู้แล้วนี่นบีโกรธแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเลยเห็นไหมฉะนั้นอย่าแสดงอาการโกรธ ปดตัวหน้าลูกให้ลูกเห็นท้าเองไม่นะมาทอดจัดการนะอย่างนี้ไม่มีปัญหาที่กับสังคมกับประชาชนจะแสดงอาการนะครับอีกคนหนึ่งอธิบายบอกว่าคนที่เป็นมัวเซนคนดีต้องอดทนสูงวายัตติวยัสบิรอดทนด้วยหลหาตักว่าใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ คนที่ยึดมั่นในศาสนาอัลกุรอามันอสลามวะจฮลิลลาฮิฟัวมุซินคนที่ยึดมั่นในอัลลอ์องเดียแบบแน่นๆนเขาเรียกว่าคนนี้เป็นคนมุหซซินเป็นคนดีและอีกเรื่องหนึ่งคนที่ทำงานศาสนาอาวัลีนะจใดูฟีนาลายฮยันนุสูลนลานาใครที่เสียสละ นะครับวันเวลาเงินทองของเขาดูแลศาสนาของอ AH, ัลลอฮฺไปน้องครับคนเหล่านี้เป็นคนม uh ั Al ila, สวสินห้ามไมลได้สบายใจมั้ยพวกเราเนี่ยทำงานศาสนาของอัลลอฮฺด้วยกันทุกคนนะนะห้ามไม่ได้แล้วแล้วก็อดทนถูกดา่าถูกตําหนิมีไหมมีครับต้องอดทนมีรางวานนัลนี่เรียกว่าเป็นคนดีนะครับ อัลลอีนะอยู่กีมูนะสโธคนดีก็คือคนที่อาย่านี้มีอยู่สามประเด็นใหญ่ ๆ, ๆต่อจากจะอธิบายคำว่ามุฮซินคนดีลักษณะแบบไหนครับอัลลอีนะอยู่กีมูนะสโธเดบรรดาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการนำมาอัลลอฮไปน้อง นามาเนี่ยดึงบรากัศจากชั้นฟ้าลงมาอยู่บ้านเรานะเวลา น, นบีมีปัญหาเดือดร้อนกุม อ, อกกุ่มใจมีปัญหานึกคิดอะไรไม่ออกนบีทำงไรละบากนามาเพราะนามาถ้าปัญญามาทันทีสมองโ ล, งล่งหลับเลยๆ ย, ย, ย, ย, ยิ่งรู้ขึ้นนามาต่ฮยุดดีไม่ดีโอ้โหต้องผ่านอุปสรรคเยอะนะต้องเกียรเกียอารมณ์ อารมณ์ต้องเยียบเยอะนะยิ่งอายุเยอะด้วยเป็นโรคด้ว ย, ยก็จะน้ำมานไหวหรือเปล่านี่เห็นไหมเพืพ่อผมอัลลอฮฺนะยุคิมูนอสซาพอพูดถึงเรื่องน้ำมานด้วยกอธิบายนำมานก่อนนะสั่งพ่อแม่ให้อบรมลูกอย่าให้ขาดน้ำมานถ้าพ่อไม่มีต้องพี่ชายจ้อย่าขาดน้ำมานกันนะพวกเรานะเห็นยังครับ ถ้าพ่อตายไปแล้วใครรับผิดชอบพี่ชายใหญ่ถ้าพี่ชายใหญ่สาสนาไม่เอาก็รองลงมาคนที่เอาสาสนาต้องดูแลครอบครัวนะนามายขาดนะแล้วก็ววสตตอบิราเลย่ะพพูดเรื่องนามาต์ซอบารอแบบอดทนถ้าอิสตอบารอบมีต่อเข้ามาอีกตัวหนึ่งต้องใช้ความอดทนหลายหลายเท่าในการเตือนให้คนนามา ้ามานมานเตือนครั้งเดียวพอเปล่าอัลลอว่าก็าจะเป็นลูกใครก็เหมือนกันถ้าเรียกมากินข้าวเนี่ยไวเรียกมาเอาสตังเนี่ยครั้งเดียวนะถ้าเรียกไปนมานี่ต้องใช้กี่ครั้งวัสบบิรอะไรฮะอัลลอฮสั่งนะมุฮัมมัดไปสอนนะนามาเนี่มันงานหนักนะแค่ยืนแค่รู้ก็ว่าแค่สูยูทำไมมันหนักล่ะ แต่ต้องอดทนสมบัติอดทนในการเตือนให้ลูกหลานได้นามาตย์เองนะอัลลอฮฺนอยู่ตีมูนนะสอเลอัลลอฮอักบารคำว่านามาตนี่นะต้องนามาตฟัรดูให้ครบวันละห้าเวลารักษาสุนัตด้วยนาวาฟินก่อนมีไหมหลังมีไหมอัลลอฮฺอักบารนี่ใครทาเป็นแบบไว้นบีครับและบรรดาอัล บ, บาฮฺนบีทําตามนาบีหมดเลยเอาต่อมาครับ แล้วก็ติดต่อกระเคราญาติด้วยเออน้ามัอย่างเดียวไม่พอนะถ้าทะเลาะ ก, กับเครืายาแสดังน้ำมัของเองเนี่ยช่วยมากน้ำมันแบบไหนวะทะเลาะ ก, กับเครือาติด่าพ่อตัวเองด่าแม่ตัวเองอ๋อหนมามาถ้าเวลาไม่ขาดเลยจะอักรากแย่มากอย่าทำพี่น้องเพราะว่าพราะน้ามาแล้วต้องเรียนสุ น, นัขนบีข้ออื่นอีกโอ้ ออนี้คนออนี้คนนี้ออนี้คนนี้คนนี้เอาล็อปพี่น้องเอาตัวมาครับแต่นี่นามาศเนี่ยอธิบายดินอุลมามะอธิบายไปดีนะคนที่นามาศนี่นะมีอยู่สามแห่งที่เนียดเนียดนะไปเยี่ยมมัสยิดสามแห่งมีผลบุญอะไรมัสยิดฮารอมสองมัสยิดนบาบวีที่นครมาดีนะสามมัสยิดอัลอักซอยาบูดีคุมเรียบร้อยหมดแล้ว เห็นไหมฉะนั้นนามาที่มัสทิคารอมในผลบุญแสนเท่าถ้าไปทําบาปต้องนึกด้วยนะให้แสนหรือเปล่าต้องนึกครับทําความดีนามาทดยแสนเท่าที่มัดที่มาดีนาได้พันเท่าอาัล อ, อักซอได้ห้าร้อยเท่านามาแถวบ้านเราในผลบุญอลัลลอฮ์ให้ยี่บเ็ดเท่ายี่บห้าเท่านมาที่บ้านได้เท่าเดียวเห็นยังครับทำลลนั่นเลยแล้วนความเมตตาของอลัลลอฮ์นะครับอทีนี้ นมาศคนจะไปนมาศในนบีก็สั่งนะมันอักกะเศ้ามันเอาบาซอลอนฟันยาตาซิลนาะใครที่กินกระเทียมและวอหอมนะ่ยอย่าเพิ่มไปมัสยิดนะให้ไปแปรงฟันให้สะอาดได้เรียบร้อยก่อนแปรงฟันให้เรียบร้อยก่อนจะให้มีกลิน่นพราหัวอหอมกระเทียมนี่คุณกินอร่อยจริงๆใช่หรือใช่ นี่เตือนแม่บ้านด้วย อ, อ๋อสามีจะไปนมาวันศุกร์เอารองั้นทำอาหารทียายจะใส่หัวหอมกระเทียมเยอะถ้าจะกินจะกินตอนเช้ากว่าจะหายุโหชก็าหายหมดแล้วใช่ไหมล่ะจะ่งี้เป็นตัวนี่เห็นอย่างเรื่องอาหารครอบครัวนะเตือนภรรยาท่านอบีก็สอนจะไปอีกนะมีอยู่ส ม, มีอยู่สามรายการนะครับคนที่เป็นอิหมามนมาดเนี่ยถ้ามะมุมรังเกียร เป็นิมามแล้ามาเนี้ยถ้ามะมุมรังเกียจไม่อยากให้คนนี้เป็นฉันไม่ชอบเขาอย่าไปเป็นนบีสอนยงไงรู้ไหมคนที่ประชาชนเขาไม่พอใจให้เป็นอิมามอย่าไปเป็นอิมามเพราะว่าความดีของเขาหนามายของเขาเนี่ยธรมรมดาความดี ข, ขึ้นขึ้นบนฟ้าหมดเลยนะแต่ถ้าหากว่าเอาคนที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจเนะี่ย จะเป็นเพราะอะไรเราก็ตามแต่นะความดีออกไม่พ้นหัวเขาแม้แต่คืบเดียวความดีที่ทําเพราะน้ามาในรางวันคืนรางวันเยอะใช่ไหมขึ้นข้างบนหมดแต่นี่ไม่ขึ้นข้างบนนะ่ะอยู่บนทถวนี้แหละอยู่บนหัวนี้แหละเห็นยังครับแล้วใครอีกครับภรรยาที่ทําให้สามีเครียดตอนกลางคืนภรรยาน้ำมาสุบโบนะนะ ความดีก็ออกแค่ศีรษะจา่นั้นละไม่ขึ้นข้างบนมสีสองกลุ่มแล้วนะถ้าไม่สามีเครียดท่านยังไงหรือเปล่าเวลาสามีข อ, ขอร่วมหลับนอนหน่อยแม้วขี้เกียดสะพกสามีเครียดไหมล่ะถ้าเครียดอลล็อกก็โกรธภรรยาด้วยเห็นยังครับฉะ น, นั้นครอบครัวมันต้องเปอร์เฟกต์ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะสามีฉลาก็ต้องนึก เธอไม่สบาใช่ไหมไมัมีปัญหาอดทนได้ถ้าเครียดนอนเครียดนะอารม์ก็โกรธภรรยายด้วยเห็นยังครับเนี่ยนี่นบีลเล่าไงฟังนันภรรยาต้องฟังศาสนาเยอะๆนะไม่ใช่ไม่ฟังนะเอาละครมาแทน ร, ระวังระวังระวังเอาเพลงมาแทนเอา music มามาแทน ร, ระวังดันต้องฟังศาสนาเยอะๆครับพี่น้องอีกเรื่องหนึง่งคนที่เป็นบ่าวทาาคนแล้วก็หนีจากเจ้านายกลัวตัวเองนี่อออ ก, ก็อารม์ก็โกรดนะ ท่านนามาเรื่องใหญ่มากครับเอาเราพูดถึงนามาดก่อนคนจะเป็นผู้นำพนเป็นอิหมามนี่นะถ้ามะมูงเขารังเกียจอย่าไปเป็นอยู่ข้างหลัง <c oughs> ถ้ามะมูงก็ไม่พอใจนะความดีของอิหมามนั่นแค่เลยศรีรษะไปนิดหนึ่งไม่ขึ้นข้างบนถ้ายัางวางงานเนี่ยเาลาไม่รับพิจารณาเข้าใจครับแล้วก็การมานาะมาที่มัสยิดนี่นะ ต้องเดินต้องเดินจากบ้านแบบอะไรนะสกีนะ่ะแบบอะไรด้วยความสงบอย่าวิ่งน บ, บีเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเดินไม่ใช่น บ, บีนักนะอุลามาทุนหลังๆเนี่ยสูบุรี่ออกจากบ้านมามซาเยตสูบปุ๋ยปุ๋ยพอมาถึงหน้าสุรากยนสวรยงบุริล้วเข้าุเราวเลยแล้วก็ปากยังเม้นอยู่เลยนะ่ะ ฉะนั้นบุหรี่กับกระเทียมนะพอกันนะบุหรีกับว่าหอมนะพอกันฉะนั้นก่อนจะเข้ามัสยิดล้างปากให้สะอาดก่อนเพราะเราอยู่กับประชาชนนะครับนี่เป็นคำสั่งของท่านนาบีสั่งผ่านมาให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดูแลปากอย่าให้เหม็นเอาล่ะแล้วก็ดินทาคนดีหอหอมหอมหรือเหม็นล่ะก็นึกเอาเองก่อนแล้วกัไปต่อยอดเอาเองครับอัลฮัมดุลิลลาฮบิทีนี เมื่อนามาจบแ ล, นะาาาแล้วเนี่ยพอให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยให้สลามแล้วก็ยืนกอดกันแล้วก็สุสาลาแลลลอฮฺละมูฮามะเป็นสุนนะนบีหรือเปล่าเพราะอาจารมาซาอุดูเขบอกว่าสุนนะเสียสับบิดหนะฮี่เไม่มีสุนนะเจริท่านนาบี ใช่ไหมนมาดดีไหมดีจับมือดีไหมดีแต่ไปจับทุกวันหลังนมาดห้าเวลาเราก็ยืนสัลวาดนะบีสัลวาดดีไหมดีแต่สัลวาดจะเป็นด้วยนะอัลลอฮุมะซุลยาละมุฮัมมัดนี่สัลวาด น, นาบีครับวะละอัลีฮิวะอัวะดิฮิอัจมนี่วิธีสัลวาด น, นาบีอัลลอฮฺบินาะ เรื่องนำมาถ้าเรียนกันจริงๆเนี่ยเยอะมาประมาณสองอยอ่ะสองประเด็นจะต้องศึกษาตั้งแถวก็มันกลายเปน้องต้องชิดจะตั้งแถวที่สองต้องดูแถวแรกเต็มหรือไม่เต็มถ้าไม่เต็มแถวที่สองตั้งไม่ได้ครับจะมีบทต้นอัลลอฮหุบหวข้อห้ามดุลิลาพี่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮฺนะนี่ผมผมเว้นไปอาญาหนึงนะ่ะ <laughs> ผมขอกรุานดีกว่า อ่าน Qu ุรอานมาเว้เว้นอายาหนึ่งเราอะไรกบอกอูลอัลดซีนอยุคีมูนอัลโซเบรรดาผู้ที่ด้องลง้สืบการลมาดนะวายุตูนัสจากและจ่ายอะไรจ่ายอากาศ สกาดนี้ต้องครบนิสอบด้วยนะประมาณเท่าไหร่มีเงินเท่าซื้อทองได้หบาทแสนเท่าไหร่แสนสองประมาณแสนสองต้องจ่ายสกาเป5นอกจากส ก, ากายัยจะมีอีกสามรายการอีกสว่วนก็ฮาดีี้ซื้อของขวัญให้ท่านเป็นศาสนาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทาวากฟ คันข่าววาสกาศมี4ีรายการหนึ่งสกาศสองสอากสา3ฮาดียะสีรร่ทําักัลดบาปตัวเองครับแล้วก็ลรอด ใ, ให้ในสังคมเนี่ยนะมีคนรวยไม่เท่าไรหรอกแต่มีคนรวยทุกหมู่บ้านอของเทศกิจมีคนรวยอยู่หลายหลังเรารู้เนี่ยวันนั้นวันนั้นวันนั้ น, น, น, นใจต้องดีใจต้องสะอาดต้องรับผิดชอบดูแลเอาลอจะเพิ่มพูณรังวาลในคุณอย่างมากมาย นี่เป็นต้นนะครับต่อมาครับวาหุมบิลอาคิราติหุมยูกีนูนและพวกเขายูกีนว่าเชื่อรัศธาบิลอาคิโรในโลกอาคิโรนี่เน้นนะอาคิโรตรงอายืนี้มี3ประเด็นใหญ่ๆหนึ่งนามาสองจ่ายสกาด3 เชื่อว่าวันอาคิรอมีจริงอะครอาอธิบายยังไงตายแล้วต้องฟื้นฟื้นมาตัวมารับรงบางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่ต้องสังเกตมีหุ้มกี่ครั้ง ด, ดูอันกุรแานนี่หุ้มกี่ครั้งวะฮุมบิลอาคีรอติหุม้มสองครั้งใช่ไหมอ่านี่เน้นเน้นทาไมอัลลอฮ์อัลลอ์ัลลอฮ์งมานะจากอัลลอ์นะ ว่าหุมบิลอะคริติหุมอยู่กีนูนหุมหุ้มสองครั้งพวกเขาเหล่านั้นอ่าพวกเขาพวกเขาเป็นการเน้นให้สนใจในโลกอาคราิลมากที่สุดในใจต้องนึกถึงอาคริลอยู่ตลอดเวลาทำของดีแบบนี้จะมีรางวัลตอบแทนในโลกอาคริะไหมยืนดาคนต้องนึก รางวัลในโลกอาคีรอมีเปล่าถือไม้ไล่ตีคนรางวัลในโลกอาคีรอมรางวัลไม่มีมีแต่การลงโทษน่ะฉะนั้นต้องมีรางวัลตอบแทนในโลกอาคีระอมอย่างกะเป็นน้องฉะนั้นจะทําความดีแต่และข้อต้องนึกนะนามาต้องนึกสะกาต้องนึกแล้วก็เชื่ออ า, อาคีรอมองค์อัคบาตเชื่ออาคีรอมอย่างเดียวเนี่ยลบความผิจดจากกันเยอะแยะไปหมดที่ผู้นักการเมืองของเราเนี่ยนะ ถ้ามีอาคิรอสักเดนหนึ่งนะปัญหาไม่เยอะรอกแต่แค่นี้พอนะครับเอาต่อมาอายาทีไรนะุล่าอิฆะละหุดามิรับบิหิมว่าุลาอิะหุมุลมุฟลิฮุนอัลลอฮ์อายาในดีมากครับุล่าอิฆะละหุดามิรับบิหิมว่าุลาอิะหุมุลมุฟลิฮุน ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะนามาก็ดีจ่ายสาการก็ดีแล้วก็ศรัทธาเชื่อวันอาคิรอมีจริงคนเหล่านี้อร่อยยกเป็นยังไงอูล อ, อกอาลอลฮูดัมคนบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อยู่บนทางนำที่ถูกต้องไปสวรรค์ก็ได้อลัลลอฮ์ออกจากความหลงผิดก็ได้อลัลลอฮ์อัลบัตเห็นยังครับ อโลอยอมรับเลยว่าคุณนี่อยู่บนทางนำที่ถูกต้องพอใจไห ม, ล, มล่ะฮัมดลิลเเมื่ออโลอพอใจเราเราก็ไม่ทำตัวเตะท่าอีกอก็ต้องนอบ น, อบนอบอ้อมทำตนอโลพอใจแบบแบบนบี ม, มุฮัมมัดสุลตัลสุลามรู้จะจะไปสวรรค์แน่นอนภรรยา น, นาบีุลไปสวรรค์หมดแต่ทำตัวเป็ไงนอบนอบ้อมทำตนยิ่งนอบน้อมยิ่งทำตัวใหญ่ ตั้งรู้จะไปสวรรค์ตะ โ, โหยะยิงท้ามบามันไม่เคยท้ามหรอกนอกจากคนที่ไม่เข้าใจกูอ่านอ่าเป็นน้องอูเลฮิคารบบ์ฮูดันมิรบีหิมฮูดันอยู่ในทางน้ำทางน้ำเนี่ใครประทานให้มิร บ, บีหิมจากพระผู้อภิบาลของเขาจากอาลัออลลอฮ์นั่นแหละประทับอยู่ในเลยเน้องูุลอ ง, องว่านามาจากคารนะ์นาส ก, กาศต้องนึกสบตลวดนาะบริจาคเยอะๆนะพี่น้องแล้วก็เชื่อจะโรอาครอนนะ พวกเขาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องหนทางนี้ใครรับรองไม่รอบบิฮิมจากประพุอภิบาลของเขาต่อมาข่าวสุดท้ายว่าอูลัยกะหูมุลมุฟเลห์และเขาแล้วนั้นเป็นหมู่ชนที่มุฟเละแปลว่าได้รับชัยชนะแล้วอัลลอฮฺอักบรนี่คนดีไปน้องเยได้รับชัยชนะอธิบายยังไงหรือมาได้ไปสวรรค์ครับ แต่คนที่จะไปสวรรค์อยู่บนดุนยาถูกทดสอบนะ <c oughs> แบบใครครับแบบน บ, บีมุฮัมมัดนี่บังชำบังชำนะคนที่รานไฟไหม้แปดสิบล้านนะโนประถามสนะิเกาชื่อฟาันพามาออกรายการนะแล้วก็มานั่งที่บ้านผมแล้วว่าใจนึกยังไงมึงเอาเล่าให้เขาไม่ใส่ใจเลย ให้อภัยหมดเห็นอย่างครับท่านคนได้ให้อภัยคนมีแต่คนความดีความดีความดีความดี ท, ทดสอบไหมนะแปดสิบล้านนะนะทดสอบจะเอาล้อให้ไฟไหมอะ่ะแปสิบล้านเนี่ยเราจะไปทะเลาะกับใครอะ่ะก็มองดูไอ้คนเด็กที่ชนเนี่ยเขบอกว่าลอ้อมันก็บ้านมันก็จนมันก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ให้อภัย นี่เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรั บ, บคนที่อ่านที่อ่านกูร์านั้งให้อาภัยคนเยอะๆเป็นคนดีครับแล้วก็คนเหล่านี้อยู่ในทางนําที่ถูกต้องมาจากใครรับรองอัลลอฮ์รับรองว่าอุลเอีกะฮูมุลมุฟเลฮูนและพวกเขาเป็นคนที่อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์แล้วก็อยู่ในความสําเร็จของอัลลอฮ์จะรับใช้ชนะจากอัลลอฮ์อย่างแน่นอนอีกข้อหนึ่ง ว النَّاسِ มินَณ ل ัสไม่ยึดติดละ ل ัลฮะ ض ِษเลยุ่ سَبِيلِ اللَّهِ ب ِ غير علم ويتخذه َ ز و ا أ أولئك َِ لهم َُ عذاب مهين ُ ว่ามนุษَ์มันจะชื่อเรืَ่งِ ي ะวِ่เรืِอَทีَ่ะ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ ع ِ ل ْ م ึ وَيَتَّخِذَ ه ี่ยวข้องกับการศึกَาที่จะมَการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัสบาบุนูซูลสายเหตุที่อัลลอประทานคุรานอายะนี้ลงมาเน่เรื่องเป็นอย่างนี้ระหว่างที่ท่านนาบีเผยแผ่อิสลามที่นครมักกะเนี่ยโดยประทานอันคุรานลงมาใช่ไหมก็ให้คุรานเขอ่านกันทั่วไปญนนครมักกะอธิบายนาบีอธิบายให้ฟังมันบาดหูคนกาเฟรมันแสลงหูคนกาเฟร อย่างน้อยห้ากลุม่มอะใครอะมุชริกกาเฟอร์มนาฟิกยัฮูดีนอสราเอลีพอมา อ, อัานแต่เพียงันเอาคุรอานแต่ละอายะห์มาอธิบาอัลลอฮ์ น, นี่มันเครียดแล้วก็จะทำลายคิดจะทำลายทำลายยังไงก็ทำลายไม่ได้เราก็หาคู่แข่ง มีธุรนักธุรกิจคนหนึ่งเห็นอย่างกับเป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่ร่ำรวยออกเดินทางไปทรมาค้าขายในประเทศอิหร่านในเปอร์เซียไปนู่นปานีไปเยอะมากเลยแล้วก็กลับมาบ้านเห็นนบีมุฮัมมัดอ่านกุรานโอโ้โหของขึ้น <c oughs> ก็เลยไปสั่งไปซื้อนักร้องผู้หญิงสาวสาวสว ย, สวย ไปซึ้นักร้องมานะ่ะเอามาทำอะไรใช่ไหมเอามาร้องในในซาอุดีนั่นแหละแล้วก็เชิญเอ๊ะมานี่ฟัง q u r า n ฟังธรรมะมฮัมหมัดมานี่โอ้ให้ผู้หญิงร้องเพลงอะไปน้องแล้วมีดนตรีด้วยโอ้โหแบบปัจป จ, จุบันใช่ไหมเขาทิ้งไปแล้ว1มื0หนึ่งพสรปีเนี่ย นบีมาสอนปราบเรียบร้อยหมดแต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยอลัลลอ์เล่าให้ฟังนะเอาอะไรนะเอาไปไปซื้อผู้หญิงนักร้องสวยๆ ส, สาวๆมาร้องเพลงเพื่อไม่ให้คนไปฟังกุรอานไปอ่านกุรอานไปศึกษาอัลกุรอานนี่เป็นความชั่วเห็นอย่างครับนี่พออ่านกุรอานแล้วหูตาสว่างใช่ไหมอานี้พวกเราปัจจุบันนี้มีป่ะ เรานะ่ะไม่ได้ซื้อผู้หญิงแต่ไปซื้อเทปมันมาใช่หรือไม่ใช่ใจ่ายสตางค์อ่ะแพงก็แพงอ่ะ แ, แล้วก็ซื้อทีวีมาเปิดอีกเอานเทปใส่ตรงนี้อีกผู้หญิงมานั่งร้องอยู่ในบ้านเรามันไม่ต่างอะไรกับผู้ชายคนนี้เอา ล, ล็อปทานอันกรุณาลงมาให้นาเบี้ยหมัดฟังเองรู้หรือปา่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่กับท่านนี้แล เขาแข่งกับอัลกุรอานที่ท่านนาบีนำมามาสอนไปซื้อผู้หญิงสวยๆเข้าบ้านมาร้องเพลงแข่งกับอัลกุรอานเราอธิบายอย่างนี้ว่ามีนันนาสมินแปว่าจากมนุษย์บางคนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะมนุษย์บางคนไมยะสตาริอิสตารอยะสแปลว่าซื้อมนุษย์บางคนนี่นะมีผู้ไปซื้อซื้ออะไรรู้ไหม ล ะ, ล, ละว่าฮะดีสละว่าแปลว่ารายสาระเรื่องรายสาระหะดีสแปลว่าเรื่องอฮะดีสของนบีนี่แหละนะเรื่องรายสาระไปซื้อเรื่องรายสาระอัลลอฮฺไม่ได้พูดตําหนิ น, นะพูดตําหนินแต่ใช้ช้ภาษาที่สวยมากนะมีบางคนอ่ามนุษย์บางคนไม่จะยินนะมนุษย์บางคนไป ไปไหนนะ่ไปซื้อเรื่องไราสาระเข้าบ้านในบ้านในภพแต่งเองนะไปซื้อเรื่องไราสาระเข้าบ้านอธิบายยังไงอุลมะอธิบายอย่างนี้นะหนึ่งมีอสี่ประเด็นหนึ่งไปซื้อนักร้องผู้หญิงมาร้องเรื่องที่2 อ, อัลกีนะนี่อุลมะอธิบายนะคําว่าลาวัลฮดัดนะ่ะเรื่องไราสาระมีอะไรบ้างหนึ่งนักร้องผู้หญิง สองเพลงดนตรีเอาเข้าบ้านอันที่สามเรื่องไร้สาระทั้งหมดเช่นอะไรบ้างเอาเข้าบ้านนะสมัยนี้กับฟุตบอลเล่นตะกรอ้อแล้วก็อะไรอีกแล้วมวยอันนี้ไร้สาระทั้งหมดเนี่าวันนึกถึงรอดตรงไหนไอ้มวยนึกถึงรอดตรงไหนต่อยต่อยกั น, นกยืดอัลลามีไหม อาจจะจะมีมุสลิมบางคนชนะแล้วก็สูยูวก็เมีกับบอก็ว่ากันไปนะฟุตบอลอาจจะซูยุวก็ว่าไปสู้สอนอะไรที่มาจากอียิปต์เลยนะก็ว่ากันไปแล้วก็อัชเร์กูบิลล่าแล้วก็ดนตรีกลองอัปต็บลูมิสมิสมาเสียงดนตรีทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดเลยนี่อิสลามสอนนี่ถ้าให้อ่านกุรานญาณนี่รู้มารู้ แค่นั้นบ้านคนกาเฟต่ะจะมาจะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีมีผู้หญิงแก้ผ้าเพราะเขาไม่เข้าใจว่าโลกจริงๆเขาต้องการอะไรพออันคุณอาคุตาสว่างใจมากโอ้โหว่ามีนันนาสิไมยาสตารีลาวัลฮาดสมีมนุษย์บางคนในหมู่มนุษย์มีบางคนะผู้ซื้อเอาเรื่องไราสาระอธิบายเอง พาเข้าบ้านแล้วไปซื้อมาแล้วไปเป็นเจ้าของอยังอ่ะเป็นแล้วสิเราหน้ามัดลาดเพื่อนผวมออกดาว่าจะเป็นประจําเลยนะผมเคยนั่งคุยกันก็าบารู้รึเปล่ า, ปาเนี่ยพวกเราเนี่ยนะไปตลาดก็ซื้อของเข้าบ้านเมียไปก็ซื้อผัวไปก็ซื้อลูกไปก็ซื้อเข้าบ้านมาเจอตลาดหมดเลยอ่ะ และบ้านใครก็ตามถ้ามีจากตลาดมาอยู่ในบ้านเยอะๆบ้านนั้นไม่มีบรกักตศแล้วก็ทําให้มีบรากตศก็ไปมัสยิดก็เอาจากสโซดาไปด้วยสิมามัสยิดสามีมามัสยิด ต, ต้องเอาความรู้จากมัสยิดที่เขาสอนเนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านด้วยมันจะได้บาลานซ์การเงถ้าอย่างนั้นมีจากตลาดอย่างเดียวไม่มีอะไรจากมัสยิดเลยนะอัลลอฮฺบ้านหลังนั้นผมได้ขอคิดเยอะมาเลย เอาจากมัสยิดไปไม่ใช่เอาเสือโซราเอากุลอานสโซราไปไม่ใช่นะเอาความรู้จากอิห ม, ม่ามหรือคอเตเรลานที่เขาสอนเนี่ยเอาไปใช้ในบ้านด้วยให้มีของจากมาจากตลาดก็ของที่มาจากมัสยิด ต, ต้องพอๆกัน อ, อ๋อเด้กเขาคิดเยอะนะเรื่องนี้อ้าวว่ามีนั้นนะซีมายาสต์าริละวลฮัดีลในหมู่มนุษย์นั้นก็มีนะครับบางคนนะ ผู้ที่ซื้อเอาเรื่องไร้สาระซื้อไปทําอะไรรึเปล่าซื้อไปแล้วมีมีบรารักัดไหมล่ะอ่านดูต่อไปลิยุดิลลาอัซาบิลลลาบัลลายู่ดีเราให้หลงซื้อเพลงเข้าบ้านซื้อตลับเพลงเข้าบ้านซื้อผู้หญิงนักร้องเข้าบ้านเอาของฮารอมเข้าบ้านไม่จะทําให้บ้านมีบรารักัดแต่จะทําให้ หลงอันซบีลิละจากห้นทางของอัลลอฮฺเห็นยังครับอัลลอฮฺอธิบายเลยเอ็งซื้อผู้หญิงเข้าบ้านไปซื้อตลับเพลงเข้าบ้านซื้อเสียงดนตรีเข้าบ้านเอาละครเข้าบ้านทําให้คนที่อยู่ในบ้านคุณหลงทางชัดไหมอ่ะตักฮามดุลิลละขอคุณอัลลอฮฺที่น้องอ่านไอ้เ น, นี้ให้จํานะคนเดียวชอบเพลงเยอะๆ ชอบเสียงดนตรีนะฟังอัญะนี่เขียนอัญานี่แปะหน้าบ้านเลยอ่ะลยยู่ดิลล่าซาบีลลาทั้งหมดเหล่านี้ทำให้หลงหลงนะออกจากทางของอัลลอฮ์สุบฮานุลซาบีลล่าเขอตางอัลลอฮ์อัตตามะอิกวร์ที่สามวยายัตตะคีจะฮูจูอ่านนะวยายัตตะคีคือ เอาผู้หญิงเข้าบ้านนะไปแข่งกับกุษุนอ่านไปแข่งกับของที่นบีสอนวาญตักฮิซฮะฮูซวาและพวกเขายึดเอาอัลกุรอานเป็นเรื่องขบขันเป็นเรื่องล้อเล่นฮูซวาไปว่าล้อเล่นหรือขับขบขันยเยอะเอย้ยมีสามขบขันยเยอะเย้ยแล้วก็อะไรนะ <laughs> อาลอห์อักบัดไปเรื่องข่มขันเป็นเรื่องเยอะเย้ยเอากุณอ่านเป็นเรื่องเอาเสียงเพลงมากบกคุณอ่านเป็นการดูถูกกุณอ่านเหยียดหยามกุณอ่านและเยียดหยามกุณอานเยียดหยามใครอัลลอฮฺเยียดหยาด น, นบีใช่หรือไม่ใช่มันคุ ม, มหมดเลยฉะนั้นอย่าเอาของฮารอมเข้าบ้านคือเนาะเราอาพ่อไม่มีปัญหาลูกเราล่ะเมยเราล่ะรุน ต, ตลับเพลงด้วยนะ ติดนองกระเทือนหลายคนนะแต่ต้องถามใจเพราะกุรอ่านสั่งนะครับ mm hmm. วายัตตาคีสะวายัตตาคีสะหูสวาเท่ากับยึดอัลกุรอานเป็นเรื่องล้อเล่นเอาโลนะเอาไปเรื่องขบขันเยาะเยะ้ยอัลกุรอานต่อมาครับคนเหล่านี้เป็นยังไงเมื่อซื้อเพลงเข้าบ้านซื้อผู้หญิงเข้าบ้านซื้อตลับเพลงเข้าบ้านเอาขอของะรอมเข้าบ้าน อุล่าอิกาลาหุมอาซาบุหีนสรุปตรงนี้เขาเหล่านั้นสำหรับเขาเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับอาซาบุนการอะไรการลงโทษอย่างนครับไม่มีรอะมะไม่มีชีฟาแล้วก็อิวัตุธาบูหินที่อัปยศยิ่ง ที่ตกต่ายิ่งการลงโทษที่ไม่มีบารากัดในชีวิตเลยครับแต่อย่างครับเอาเสียงเพลงเข้าบ้านเอาดนตรีเข้าบ้านเอา music เข้าบ้านเอาผู้หญิงนักร้องเข้าบ้านถือเรามาจะซื้อผู้หญิงมาเข้าซื้อเสียงเพลงเขาเข้าบ้านทําให้คนหลงทางพ้นทางของอัลลอฮ์ข้อที่สองเป็นการดูถูกเหยียดยามอัลกุรอานไปในตัวเลยเหยียดยามสุนานะนบีเหยียดยามคําสอนของอัลลอฮ์ทั้งหมด คนสุดท้ายอุละยกาละหุมอาซาบุมมุฮีนเขาแล้วนั้นอัลลออักบร์คือการลงโทษอันอับยศยิ่งอาวันนั้นก็ค่อยๆเริ่มเ อ, เอาอะไรนะเอาเสียงเพลงออกนะรวมไปถึง ร, รูปรูปรูปรูปเยอะๆในบ้านนะพี่น้องบ้านมุสลิมกับบ้านคาเฟต่ต้องแตกต่างกันทีนี้ลูกสาวเอามาติดเอาไง ลูกสาวก็เลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่เก่งใจอ่ะเอารูปดาราเอารูปตัวเองที่จบปิญญาโท ร, รามกำแหงประกาศนียบัตรแขวนอยู่เนี่ยทำไงอุลมะเขาแนะนำดีดนะให้ดึงออกถ้าดึงไม่ออกกระชากแรงแรงมันก็ออกไปตอนครับหมดเวลาอย่างเนี่ยครับหมดอา่าแต่ก่อนอธิบายอีกนิดหนึ่งพป่น้อง ยัตะดูยัตะคีดูยัตะคดูฮู้ว่ายึดอะไรนะยึดกุรอานเป็นการเหยียบย้ำกุรอานดูถูกกุรอานในบ้านตัวเองนั่นแหละอากุรอานนี้ไม่เคยอ่านใช่ไหมพอเสียงเพลงเข้ามาทิ้งกุรอานไว้ข้างๆอ่ะเอาเพลงดังทุวันทุวันทุวันมล์จิกกึงกลงกึงกลงเป็นการเหยียบย้มกุรอานนี่ถ้าช้ปัญญาสักนิดหนึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลาดีชีนาเรากั้มา ให้เราหูตาสว่างอัลลอฮ์พี่น้องอาทีนี้น บ, บีสอนอย่างนี้เรื่องไร้สาระบนโลกดุจยานีเยอะแต่มีอยู่สามอย่างที่ทำแล้วมีบารากัศหนึ่งไปฝึกขี่มา้าอ่านี่เป็นการออกกำลังกายด้วยเป็นการซิกครุลรอด้วยฝึกขี่มา้าเอาลูกไปเรียนขี่ม้าซะ วหวยน้ำอัลลอฮ์ดีไหมดีนี่เป็นดุลงานดุญยาลุ่น้วนเลยนะอันนี้แข็งแรงครับแล้วก็มวยปล้ำทำได้เลยแล้วก็ยอกล้อระหว่างสามีภรรยาอัลลอฮุอะลลอฮ์คาริบบะมุลาอับบะมุลาอับบะอัลลอฮ์มุลาอับอล์ละหูยอกล้อกับภรรยานี่ เป็นวิครุลลอเป็นการออกกำลังกายด้วยเป็นการเดินสูนหลงราเก้าสามชั่วโมงครึ่งยกเว้นสามสีรายการนอกนั้นอยากเข้าบ้านพี่น้องเนฝึกลูกหลานตัวเราเองยิงธนูขีม่ม้าว่ายนะ้ำมวยปล้ำ <c oughs> แล้วก็อะไรอย่างเลยนะหยอกล้ อ, อ ก, กับภรรยาเป็นของดีๆหมดเลยเอาผู้หญิงเข้าบ้านระวังนะนำคนหลงออกจากทางของอัลลอ 2เป็นการดูถูกเหยียดหยามอัลกุรานอัลอลอัสบายใจไหอ่านุรานไม่เชื่อก็ตามใจไม่ม oui ีปัญหาใช่เดี๋ยวไปเจอนาอคริเจอทีกูโบก่อนสุฮานะกลุมะบะบิฮัมะยลอิละอิลลอันตะอัสตรกอัลลูบอิลอลอัลลอฮอลอมุฮัมมัดวะอลีวะบหฮอัจม